أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أبوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم الح لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحنه لا شريك له إ ِ ل َ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَنَا م ُ ح َ م َّ د ً ا ع َ ب ْ د ُ ه ُ وَرَسُولُهُ أ َ ر س َ ل ْ ه ُ ل َ ه ُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَمَّا ب َ ع َ ا ل س َّ ل َ ا م ُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ت ُ ه ُ มาชาวอนนะครับผมผมยังไม่ทันได้ดูอาะไรนะครับก็พี่น้องให้สละมาก่อนแล้วก็จะซะกุมลอฮุคราลครับพี่สัมาสลมาก็วายุมสลามตลเาะห์วะบรากาตูเช่นยับไอ้ดุนยาคือคุกเสือผู้ศรัทธานะครับสละมาก็วายุมสลามบุรัมตุลลา์วะบรากาตูครับผม พี่น <Jub ilee> ้องที่รักที่ครับพวกัทธิบาห์นัวตาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพวกมิวซตุบัลัตนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในว่าในส่วนของ فلاقة حمل عقبة وما د ر ะ ه ัก عقبة فق رقبة أو إتقامن في ي و م เมื่อพวกัทธิบาห์นัวอัลอาได้พูดถึงการเลือกเดินบนหนแานที่เป็นชันน้นผาหรือว่าการเลือกปีนชังน้นผาพวกเราก็ได้พูดถึงหนึ่งใน ความดีงามที่ว่าเป็นความยากลําบากแต่สําหรับใครก็ตามที่สามารถทํามันได้เขาได้ทําสิ่งที่อัลลอฮ์รักอย่างแท้จริงนั่นก็คือการให้อาหารในวันแห่งความแรงแขนในวันที่ว่าผู้คนนั้นอยู่หวยกันพี่น้องครับจากอายะกุราดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานเราไม่ได้พูดนี่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนที่ละศีลอด มีท่านใดเคยสงสัยไหมครับผมมีท่านใดเคยสงสัยไหมเมื่อเราพูดถึงเรื่องการเลี้ยงอาหารคนที่ถือสินอดเราเจอฮาริสที่บอกว่ามันอัฟต์รอซออีมันชิมับใครก็ตามที่ให้อาหารคนที่ถือสินอดให้เขาได้ลับสินอดเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับเขาถือสิลอดเองมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊แล้ว ทำไมพูดถึงแต่ผลบุนของการเลี้ยงอาหารคนที่กาลังรัศดทําไมไม่พูดถึงผลประบุนของการให้อาหารเพื่อให้เขาไปถือสินอดมีใครเคยสงสัยไหมครับเพราะว่าคนถือสินอดนะครับเขาต้องกินสองมือถูกไหมครับมือแรกก็คือมื้อที่ทานเพื่อที่จะได้ออดหลังจากนั้นก็คือมื้อที่สองก็คือมื้อที่หลังจากที่อดยาวนานแล้วเขาจะได้ทาน ในฮะดิษคับที่เราเจอกันตัวบทแทบจะทั้งหมดก็คือก็จะพูดถึงว่าใครเลี้ยงอาหารคนที่ถือสนอดแล้วซึ่งก็ทําให้บางครั้งนะครับพี่น้องบัท่านก็อาจจะมองข้ามความดีตรงนี้ไปก็คือใครที่ให้อาหารเพื่อที่คนคนนึ่งจะได้ถือสนอดเนี่ยเขาก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันกับการที่ว่าเขาต้ถือสนอดเองตัวบทเอามาจากไหนครับตัวบทเอามาจากฮะดิษที่พูดถึงกว้างกว้างเพราะตรงนี้พูดถึงกว้างอยู่แล้ว มันด่าละแล้วค่อยลินกาอิริีใครก็ตามที่บ่งชี้ให้มีการทําความดีหนึ่งความดีใดเท่ากับเขาทํามันเองอีกครั้งนึงครับใครก็ตามที่บ่งชี้หรือว่าเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดเท่ากับเขาทําสิ่งนั้นเองเพราะนั้นหมายความว่ามันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าใครก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความดีเขาจะได้ผลบุญ น, นั้นเพราะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีตัวบทมาย้ําอีกว่าให้ให้อาหารคนเพื่อที่เขาจะต้อง ไปถือเสือดได้ด้วยนะก็คืออยากจะขอย้ํานะครับเพราะว่าเวลาโรมัดอนหรือว่าเวลาเลี้ยเลี้ยงอาหารคนถือเสือดเรามักจะแต่จะไปโฟกัสว่าเลี้ยงให้เขาได้รับเสื้อดบางทีเราลืนคิดไปว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาจะลุกมาถือเสือลดเขายังไม่มีอะไรทานเลยเหมือนกับสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลอาอะเลยซารามครับครั้งหนึ่งที่ว่าท่านนาบีนั้นเข้ามาที่บ้านเข้ามาที่หญิงไอชั้นก็คือเป็นวันที่ว่าท่านนาบีนั้นจะอยู่กับที่หญิงไอชะ้น เมืเอ่อท่านบีเข้ามาหาท่านลบีก็ถามว่ายายชา้าวันนี้เรามีอะไรทานไหมวันนี้เรามีอะไรทานหรือเปล่าเข้ามาที่บ้านภรรยามาหาภรรยามาถามจราิงอ้ช้าบอกเองครับเบียร์โซลวันนี้เราไม่มีอะไรทานเลยสุพานณละล้อนี่คือครอบครัวขอ ง, อมมองอท่านละเบียมอมาสบารองอิสลามจริงไอ้ชาก็บอกไม่มีอะไรทานท่านลบีบอกว่าไงครับอีดันอิสลุมใช่เงั้นะฉันถึงซื้ออดละกันวันนี้ใช่เงั้น วันนี้ฉันขอถือสินอดถือสินอดเพราะว่าไม่มีอะไรทานเลยเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับที่ผมอยากจะส่งเสริมอีกหนึ่งความดีที่ว่าบางครั้งอาจจะมองข้ามไปถ้าเรารู้ว่าจะมีใครถือสินอดบางทีเราไปโฟกัสแต่เรื่องการเลี้ยงอาหารและสินอดเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกันก็คือการที่เราได้อาหารเพื่อที่เขา ไปทานเพื่อที่เขาจะได้ถือสินอดดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ครับแต่ถ้าเกิดถามว่าอันไหนจะดีกว่ากันมันดีกันคนละอย่างการเลี้ยงอาหารคนเพื่อให้เขาถือสินอดเนี่ยเราเป็นต้นเหตุให้เขาได้ทําความดีนั่นคือความประเสริฐส่วนการเลี้ยงอาหารคนที่เขาลาสินอดเราให้อาหารคนในขณะที่เขาหิวโหยซึ่งนักเต็มที่ตักแต่ธิ่ใบกุรานบางท่านมองว่าตรงกับอาันนี้เลย เอาอิตาลุ่นฝียอมิ น, ม, นมัสกอบะหรือการให้อาหารในวันแห่งความหิวโหยซึ่งคนถือสิลดเขาล้าสิล ด, ดด้วยความหิวโหยถูกไหมครับหลายๆคนถือสิล ด, ดตอนถืเนี่ยไม่ได้หิวเท่าไหร่คือก่อนนอนก็รับประทานข้าวหรือปลอยแล้วตื่นมายังไม่ทันได้หิวแต่ถ้าเป็นคนที่กําลังจะล้าสิอดนั่นคือหิวโหยสุดๆเลยทั้งหิวน้ำทั้งหิวข้าวเลี้ยงอะไรเขามีความสุขเขาชอบเขาขอดูอาให้หมดเพรื่ะ น, นั้น ดีกันคนและอย่างเพียงแต่ว่าผมอยากจะส่งเสริมว่าให้เราทําทั้ง2 อ, อย่างครับหรือเมื่อมันดีทั้งคู่แล้วเรามีความสามารถจะทําทําทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นอายะครุษานี้เอาอิตาอามุนฟิยามิดีมัสกับบาลีการให้อาหารในวันแห่งความหงุดหงิยึงครอบคลุมในหลายๆบริบทแล้วก็แน่นอนครับถ้าพี่น้องสังเกตดูในรุ่อรุณเพราะว่าใช่ครัว่าอิตาอาม หรือการให้อาหารซึ่งเป็นนาเกลรอ์นาเกลรอ์หมายถึงอะไรครับเป็นคําที่ไม่เจาะจงให้อาหารให้ไปเลยซึ่งการให้ในที่นี้จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมไม่มีปัญหาแม้แต่กระทั่งจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนก็ได้ผลบุญชื่นเดียวกันเวลานนความหิวโหยเวนในความแหลงแขนพี่น้องจํำเรื่องราวได้ไหมครับถึงสุนัต ท, ที่ว่าไม่มีน้ําจะดืม่มหิวน้ําสุด เป็นเรื่องราวที่ว่ามีการพูดถึงกันบ่อยถูกไหมครับผมที่ว่ามีคนคนหนึ่งที่ผ่านการทําบาปมาอย่างมากมายบางสายรายงานก็คือเป็นคนที่ทําซีนามาเยอะแยะเลยทําบาปมาเยอะผลสุดท้ายเขาเจอบ่อน้ําเขาลงไปดื่มน้ําเขาขึ้นมาจากบ่อน้ําเขาเจอสุนัขกำลับบงเดือดทรายรอบๆบ่อน้ำเพราะสุนัขมันหิวน้ํามันลงไปไม่ได้ถ้าลงไปมันก็ตายคนคนนั้นก็คิดได้ว่าสุนัขนี้มันคงจะหิวน้ํามากเลยนะเขาก็เลยปีนลงไปใหม่ เอารองเท้าเนี่ยตักน้ำเพราะว่ามันบ่อน้ำลึกไงครับไม่มีภาชนะจะใส่ก็รองเท้าเนี่ยเป็นคู่เฟียนคู่เฟนก็คือถุงเท้าหนังมันอุ้มน้ำได้ก็เลยเอาถอดรองเท้าเองหรือว่าถุงเท้าหนังเองเนี่ยเอามาใส่น้ำแล้วก็าปากคาบรองเท้าตัวเองเพื่อที่จะน้ำให้สุนัข ก, กินซึ่งเมื่อเขาเอาน้าใหสุนัข ก, กินสุนัข ก, ก็ได้ขอบคุณเอาวะแล้วก็ขอด้วาจากกอรถให้กับเขา เอเล็กยกดโทษให้กับเขาในบาปที่ผ่านมาทั้งหมดนี่คือความประเสริฐของการให้ความช่วยเหลือในยามที่คนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอกักเล็กก็คือพูดกว้างๆ ก, ก็เลยอยากจะขอส่งเสริมพี่น้องก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือคนที่มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่เขากําลังลําบากถ้าเรามีความสามารถในด้านหนึ่งด้านใดให้ความช่วยเหลือเข้าไปเถะครับเราไม่มีทางรู้หรอกบางทีการช่วยเหลือครั้งนั้นที่เรา อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พระลอสุบฮานุวาตายแหละรักเราเลยก็เป็นได้ครับผมครับพี่น้องที่ทักทายมานะครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับผมคุณเวชัยนะครับตนที่ใจแลทนอ่าผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับขอมาฟด้วยนะครับผมคุณลุงอรุนนะครับสลามมานะครับบารักัลลอฮฺฟี่คุมนะครับก็ไวคุณสลามอับดุลเลาะบบารับขาวด้วครับผมเสียงชัดเจนมาชาร์ล็อก็ ดูอาอามีลกบารกัลลอฟีกุ e er. k rab. K rab right share, right ่มครับผมเราก็เช ja ่นเดิมนะครับก็คือกดแชร์กดไลค์กดโพสต์ให้แล้วก็จะซาคิล่าครครับผมคุณเอาเอาหัวนะครับผมเอาหัวน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะครับผมก็สลับมาก็วารีกุ่มสลับบาร์ตุลลอว่าบาร์กาตู้ครับผมนี่วันนี้สลับมานะครับผมวารีกุ่มสลัมอาร์ตุล้อว่าบาร์กาตูบอกว่ากรุงเทพชัดเจนก็เจอซาคุมุลลาฮุไครรันขอบคุณมากมากครับผมอ่ะเรามาคุยกันต่อครับผม การมีความช่วยเหลือในที่นี้ครับผมในยักกวานพวาราเริ่มด้วยกับคําว่าเอาอิตาอุนฟิเอมิ ล, มลีมัสกลับเรื่องง่ายๆที่มันใกล้ตัวก็คือการให้อาหารในวันแห่งความหิวโหยให้อาหารให้แก่ใครล่ะเมื่อเราพูดถึงการให้ความช่วยเหลือเราควรใช้ความช่วยเหลือแก่ใครก่อนเมื่อเราพูดอย่างนี้ครับ สิ่งแรกที่มักจะเข้ามาในความคิดของเขาที่จะอยู่ในหัวของเราก็คือช่วยเหลือคนเดือดร้อนคนยากจนถูกไหมครับผมแต่ในอายะกุราในสุรานี้พวกอัลลอฮ์ไม่ได้เริ่มด้วยกับคนยากจนแต่พวกอัลลอฮ์ใช้คำว่ายะตีม ah ันแยะมะกรอบะสุบานัลลอฮ์ผู้อัลลอฮเริ่มด้วยกับการใช้คำว่ายะตีมันแยะมะะมะกรอบะเอามิสกีนันได้มะตรอบะ ให้ให้อาหารในวันแห่งความหิวโหยแก่เด็กกําพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดแล้วก็แก่คนที่ขัดสนที่เขาเต็มไปด้วยฝุ่นเนือกรุรานครับพเพราะว่าเริ่มด้วยจับเด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอายักรุรานอายัตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ว่าอยากจะเตือนตัวผมแล้วก็เตือนพี่น้องนะครับให้เราได้ คิดให้ดีแล้วก็ตระหนักไว้ให้ดีๆคนที่เราสมควรจะต้องให้ความช่วยเหลือมากที่สุดคนที่เราต้องให้ความช่วยเหลือมากที่สุดในโลกนี้ในโลกนี้ถ้าเกิดมีการถามว่าใครคือคนที่ฉันควรจะทำความดีกับเขามากที่สุดคำตอบก็คือญาติของคุณนั่นแหละคนที่ใกล้ชิดคุณนั่นแหละคือคนที่คู่ควรได้รับการช่วยเหลือของคุณมากที่สุด ทำไมถึงต้องพูดประเด็นนี้ครับเพราะว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่เราจะพบว่าหลายครั้งที่ว่าคนดีๆหลายท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นให้ความช่วยเหลือกับบุคคลภายนอกโดยหลงลืมคนใกล้ตัวหลายครั้งครับที่ผมมักจะเจอคนถามถึงเวลาร็มมดอนหรือว่าเดือนไหนก็ตามก็จะมีพี่น้องถามนะว่าอาจารย์ฉันมีเงินสกัดอยู่ก้ น, นึงฉันมีเินดีกะอยู่ก้นหึงฉันเอาให้ใครดี ฉันส่งไปประเทศนั้นดีไหมส่งไปประเทศนี้นดีไหมผมฉันส่งให้กลุ่มนั้นดีไหมส่งให้กลุ่มนี้ดีไหมพี่น้องคําตอบของอิสลามง่ายแล้วก็ชัดเจนควรให้ความช่วยเหลือแก่ใครมากที่สุดเหรอคนที่ใกล้ชิดกับพี่น้องที่สุดไงหมายถึงญาตินี่แหละเพราะบางคนรู้สึกว่าเงินสกัฉันให้ญาติมันใกล้เกินไปให้คนาดื่นรู้สึกดีกว่ามันแตกนะหลายขัน้นหลายท่านคิดแบบนี้จริงๆ แต่ท่านรู้สึกว่าให้กับคนใกล้ชิดมันจะไม่ได้ผลบุญเพราะมันจะมาเป็นญาติกันอยู่แล้วพี่น้องเปล่าเลยพี่น้องจะได้ผลบุญสองเท่าต่างหากไม่ใช่แค่เท่าเดียวนะเพราะในยะกกวาดถ้าเกิดเราสังเกตดูในสุระบรัลลตนี้พวกเราพูดวิสกีนที่หลังพูดอยาตีมก่อนเพราะพวกราใช้คํำว่ายาตีมและมะกรอบาเพราะเด็กกําพร้าถ้าดูจากในญาตินี้นะครับเด็กกําพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดเนี่ยถ้าเราไปช่วยเหลือเขาเราจะได้ความดีสามเท่า ถ้าเราช่วยเหลือคนยากจนที่หิวโหยเนี่ยได้หนึ่งเท่าเขายากจนแล้วเขาก็หิวโหอยอันนี้รวมกันเลยเป็นหนึ่งเท่าแต่ถ้าช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่เป็นญาติได้สามเท่าเพราะอะไรครับเพราะเขายากไร้แล้วก็หิวโหยเหมือนคนยากจนแต่ที่เพิ่มมาคือเขาเป็นญาติใกล้ชิด การเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติผลรับบุญมหาศาลอย่างที่เราทราบกันคือจะเป็นเครือญาติที่ยากจนหรือเครือญาติที่ร่ำรวยการเชื่อมสัมพันธ์ได้ผลรับบุญมหาศาลเหมือนกับที่พระลอร์บอกว่าข้าได้ให้ทายาตใช้ชื่อเดียวกับข้าคือเครือญาติเนี่ยภาษาอับใบคําว่าอรลหิมอัลหิมคือคําว่าเครือญาติเป็นพระนามเดียวกับพระนามของพระลอร์ที่ว่าอัลลอฮิมพระลอร์บอกอัลลอฮ์ได้เครือญาติใช้ชื่อเดียวกับพระองค์เพราะนั้นใคร เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเท่ากับเขาเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ใครตัดสัมพันธ์กับครือญาติเท่ากับเขาตัดสัมพันธ์กับอัลลอฮ์เพราะนั้นการให้ความชื่อเหลือเครือญาติผลบุญต่อที่สองคือพราเขาเป็นเครือญาติผลบุญต่อที่สถ้าเขาเป็นเด็กกำพรายิ่งได้ผลบุญมากเป็นสมเท่าอย่างที่พวเราทราบท่านอับดุลเบี๋ยมอัลลอฮ์ในสุนัตบอกไงครับฉันกับคนที่ได้อยู่เด็กกำพราเนี่ยจะได้อยู่ในอยู่ด้วยกันในสวรรค์เหมือนกับนิ้วสองนิ้วนี้นิ้วสองนิ้วชี้กับน คือใครท้าให้ความช่วยเด็กกำพา้าเขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบี ม, มูฮัมหมัดสุลต่านแล้วยิ่งถ้าเด็กกำพ้านั้นมีศักเป็นญาติของเขาแล้วยิ่งเป็นคนที่ขัดสนเพราะแน่นอนครับบางทีเด็กกำพ้าอาจจะมีที่ร่ารวยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่บางทีเขาอาจจะยังใช้ทรัพสมบัติของเขาไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นประเด็นใกล้ตัวที่ว่าอยากจะ บอกไว้แล้วก็แ น, น่นอนครับมีคําถามที่ว่าถูกถามมาบ่อยๆในเรื่องของการจ่าย zakat าาบางท่านอาจจะถามว่าเนี่ยอาจารย์สมุจิฉันเนี่ยเป็นภรรยาเนี่ยภรรยารวยเนี่ยสามีฉันคนยากจนเนี่ย z a กา t ฉันให้สามีได้ไหมคําตอบให้ได้ครับให้ได้ถ้าสามีเราเป็นคนยากจนเพราะเราไม่ได้มีอามานะต้องเลี้ยงดูสามีแต่สามีไม่มีสิทธิ์ให้สละะัากาะ z a k a ภรรยาเพราะหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาเป็นหน้าที่ของสามีอยู่แล้ว เพราะนั้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าภรรยารวยหน้าที่ของสามีต้องเลี้ยงดูภรรยาแต่ว่าสามีอาจจะช่วงนี้ลําบากอาจจะตกงานอาจจะหาเงีนมาไม่ได้แต่ว่าภรรยามีฐานนะภรรยาอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นสกาดของน้องน้องให้พี่แล้วกันสามารถกระทาได้ครับผมถ้าหากว่าสามียินดีรับอนะเพราะว่าบางทีสามีก็อาจจะรู้สึกรู้สึกแย่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าอะไรคนใกล้ตัวไม่สกาดฉันได้ยังไงฉันรับไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่ว่าก็คุยกันดีดีก็ เคลียแค่นดีครับผมก็่บอกว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมักจะเป็นคนที่ถูกมองข้ามเราอาจจะทําความดีกับคนนอกบ้านได้สารพัดแต่คนใกล้ตัวเราบางทีเรามักจะหลงลืมบางทีเรามักจะละเลยทั้งทั้งที่การทําความดีกับคนใกล้ตัวทั้งๆ้ที่การทําความดีกับคนใกล้ตัวเราจะได้ผลบุญมากมหาศาลยิ่งกว่าการทําดีกับคนไกลตัว ตัวบทมากมายชี้มาในทิศทางนี้ทิศทางเดียวกันเลยครับผมบุคคลที่เราต้องให้ความช่วยเหลือมากที่สุดคือคนใกล้ตัวพี่น้องไม่ต้องดูที่ไหนไกลพี่น้องดูอายั ก, กรุรันที่พ่อเราบอกหน้าที่ของพ่อบ้านคืออะไรครับยาอโยรดีนาอมนุกูอังพุสกุมวะฮลิกุมนารศรัทธาชนทั้งหลายเอาตัวของเจ้ากับครอบครัวของเจ้าให้เราพ้นจากไฟนรก แป่าพูดล้อนนิ้นใครครับตัวเองก่อนเอาใกล้ชิดที่สุดกับเราไม่มีใครใกล้ชิดกับตัวเรามากกว่าตัวเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวเราให้รอดพ้นจากไฟนิวแล้วก็ต้องให้ครอบครัวเรารอดผลให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาตัวเองรอดอย่างเดียวฉันละมาอย่างเดียวที่เหลือไม่ต้องละมาดไม่เป็นไรฉันไม่สนฉันจะเข้าสวรรค์นคนเดียวอันนี้ไม่ได้ครับเพราะถึงเวลาโลกหน้าเดี๋ยวต้องไปทะเลาะกันแน่นอน แล้วก็ต้องมีการฟ้องร้องกันแน่นอนว่ายาร้องเนี่ยก็อยู่กับฉันเนี่ยเป็นพ่อฉันเนี่ยเป็นสามีฉันเนี่ยไม่เคยสั่งใช้ให้ทําความดีไม่เคยเป็นแบบอย่างฉันทำความช่วยไม่เคยห้ามปามโลกหน้าเขาฟ้องเราแน่พี่น้องโลกหน้าเขาฟ้องเราแ น, น, น่นอนเรือการทำความดีกับคนไกลตัวพี่น้องหรือการแคร์คนนอกมากเกินไปเนี่ยพี่น้อง พี่น้องคิดง่ายๆครับแล้อยู่ยุคสมัยปัจจุบันที่เราแคร์ขี้ปากคนอื่นมากเกินไปบางทีเราไปสนใจกับเรื่องคนอื่นมากเกินไปโดยที่เราลืมที่จะทะนุถนอมคนใกล้ตัวทั้งๆ ท, ที่เราลืมคิดไปว่าชีวิตในดุนยานะ่ยมันสั้นพี่น้องชีวิตในดุนยามันสั้นมากๆเลยถึงเวลาโลกหน้าบ พวกเราเป็นจำนวนไม่น้อยอาจจะมีผมอาจจะมีพี่น้องอาจจะมีใครก็ตามที่เราต้องมาเรื่องเสียใจว่าทําไมเราทุ่มเทกับการแครคนอื่นจนเสียจุดยืนของเราไปหรือว่าจนที่เราไม่มีโอกาสมาแค่กับคนใกล้ตัวของเราเราจะเสียใจกับเรื่องเหล่านี้กันหรือเปล่าพี่น้องเคยคิดกันบ้างไหมครับอย่างบางคนแคน่์เขาดีแล้วเคยในฉันแต่งตัวเดีๆคนอื่นจะว่ายังไงเดี๋ยวอะไรยังไงแต่ว่าไม่แค่์คนใกล้ตัวออกนอกบ้านคือหลอ่อสวยอยู่ในบ้านคือเลสสุด ใครคือคนที่เราต้องหล่อสวยดีมากที่สุดคนในบ้านเพราะฉะนั้นอียัคุรันเนี่ยครับแค่การเรียงลำแบบจากอียัคุรันล้วก็พบว่ามันมีความสำคัญอยู่ย่ตีมันแะมะกรอบาเอามิสกีนั้นจากะตระบาทีนี้ครับเรามาดูในประเด็นของอียัคุรนในคุรนในสุตตุบาลัดเนี่ยครับผู้รอดสุบฮานหัวตาลาบอกให้อาหารแก่ใครครับเด็กกาพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด พอวอเหรอไม่ได้ใช้คำว่าคนยากจนในที่นี้พอวอเหรอไม่ได้ใช้คำว่าเด็กกำพ้าที่เป็นญาติใกล้ชิดที่ยากจนมีฮิกมะอะไรอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่ามีประเด็นอะไรที่เราได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไหมที่การพูดถึงแค่อยาตีมันยะมะกรอบะคำตอบมีประเด็นในนี้ด้วยครับผมมีประเด็นในนี้เพราะอะไรครับเพราะประการแรก คนขัดสนพ่อเลาพูดถึงแน่นอนเพียงแต่ว่าพูดถึงทีหลังพูดถึงทีหลังเอามิสกี้นั้นจมะมาทะเละบาแต่ประเด็นก็คือเด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดอย่างที่บอกครับเด็กกําพร้าบางคนอาจจะร่ํารวยเด็กกำพร้าบางคนอาจจะมีมรดกมหาศาลที่พ่อแม่ขอทิ้งไว้ให้แต่ถ้าเกิดอย่างตามกฎหมายของอิสลามเมื่อมีเด็กกำพร้าและถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินต้องมีคนดูแล ดูแลนที่คือดูแลทรัพย์สินให้เด็กกำพร้าคือต้องรอให้เด็กกำพ้าโตก่อนมีความสามารถจะใช้ทรัพย์สินได้ก่อนถึงจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเขาอีกทีหนึง่งเอาละครับมาประเดินสำคัญมาประเดินสำคัญทำไมถึงต้องให้ความช่วยเหลือกับเด็กกำพร้ทาทั้งทางที่บางทีเขาอาจจะมีทรัพย์สินมากมายพี่น้องที่รักครับ เหมือนที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานคนเราเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือในยามที่เรายากลําบากเมื่อตอนที่เราได้ดีเราก็มักจะคิดถึงคุณงามความดีที่เราได้รับถูกไหมครับเหมือนกับส้าถือว่าตอนเนี้ยเรายากลําบากมากๆชีิดแบบมีปัญหาขาัดสนช่วงโควิดไม่มีอาหารกินไม่มีงานทําไม่มีเงิ น, ไ ม, มงนไม่มีอะไร ถ้าเราเดือดร้อนสุดๆแล้วอยู่ในช่วงที่เรามองไม่เห็นทางออกแล้วเราแยกของแยกของแยกสุดๆแล้วมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือจงเราผ่านผลช่วงนี้ไปได้ตามธรรมชาติครับพี่น้องคนส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เมื่อเขาริมตาอาปากได้เขาก็จะเป็นอีกหนึ่งในบุคคลที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้เดือดร้อนเช่นเดียวกันเหมือนกับเด็กกัพาครับ เราอาจจะคิดว่าเขาเป็นแค่เด็กซึ่งเราจะพบว่าในสังคมเราเนี่ยเยอะมา ก, กาเกินที่เด็กกาพร้าจะโดนกโดนกงจะโดนหลอกลวงบางทีก็โดนยกักยอกเงินของพ่อแม่ของเขาเนี่ยญาติาแอบเอาไปใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เราคิดว่าเขาเป็นเด็กเขาจะไม่โตเลยแล้วถึงเวลาเขาโตเขาจะคิดยังไงครับ โอเนี่ยตอนที่พ่อฉันตายเนี่ยตอนที่ฉันไม่เหลือใครเนี่ยไอคนนี้ก็มาโกงฉันนี่ก็มาหลอกลวงฉันสังคมนี่มีแต่คนชั่วร้ายตอนนี้ฉันโตและฉันได้ทรัพย์สินพ่อแม่ฉันแล้วฉันก็จะเป็นแบบที่ฉันเคยโดนทํามานี่แหละแค่มาแต่ดีนู่นตู่ดานถูกไหมครับคุณทําอะไรไว้คุณจะได้ก็จะได้รับสิ่งนั้นคุณทําอะไรไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเพราะ บม่มเม็ดก้าแห่งความเกลียดชังเมื่อมันเติบโตมาก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตที่มีแต่ความเกลียดชังแต่ร้เกิดว่าถึงเวลาปุ๊บพอเรารู้เนี่ยเป็นเด็กกำพร้าโดยเฉพาะยิ่งเป็นญาติเราอีกถึงเวลาเราก็ไปความช่วยเหลือเพราะยิ่งเป็นญาติเรายิ่งรู้ว่าความลําบากของเขามลําบากแค่ไหนเราไปความช่วยเหลือเขา เราไปให้กำลังใจเขาเราไปลูบหัวเขาบ้างเราไปเล่นกับเขาบ้างเราเอาอาหารไปเราเอาของเล่นไปเล่นกับเขาถึงเวลาเขาจะคิดยังไงครับตัวสังคมนี้เป็นสังคมที่ดีนะตอนฉันลำบากคนนั้นไปช่วยเหลือฉันคนนี้ก็ช่วยเหลือฉันจิตใจที่ขาดความอบอุ่นแต่ได้รับการเติมเต็มเมื่อโตมาเขาจะเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากกว่าใครเหมือนกับท่านบีโม่มาสลบอลองวัยอัสลามครับท่านเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าถูกไหมครับ ชีวิตลำบากชีวิตยากเข็ญแต่ก็มีคนดีๆที่ว่าคอยอุปถัมภ์ท่านให้ความช่วยเหลือท่านมีลุงท่านมีปู่ท่านท่านก็เติบโตมาจริงอยู่ขาดพ่อขาดแม่แต่ก็ยังมีความรักอื่นที่มาเติมเต็มอยู่พี่น้องสังเกตดูคนที่เป็นคนที่มีอำนาจคนที่มีความร่ำรวยคนที่มีความมั่งคัง่งหลายคนน่าจะเป็นคนดีได้ แต่เขากับกลายเป็นคนชื่วเขากับกลายเป็นคนที่อาธรรมคนอื่นเป็นคนที่ทําร้ายคนอื่นเพราะอาดีตของเขาเคยเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นครับให้ความสําคัญกับต้นกล้าของพวกเราด้วยโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นญาติใกล้ชิดเราในอกุรานเราพูดว่าเด็กกําพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดมันไม่ใช่หมายความว่าถ้าไปช่วยเด็กกำพร้าคนอื่นจะไม่ได้ผลบุญ เพราะตัวบทมากมายมหาศารที่พูดถึงความดีของการที่ให้ความช่วยเหลือกับเด็กกํำพร้ามือเป็นอายะคงที่เราพูดกันเมื่อวานครับว่ายุดไอโมนัตตอามาละฮบุบฮิมิสกีนวะยาตีมาวะซีรอเขาได้ให้อาหารให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เป็นที่รักของเขาทั้งคนยากจนทั้งเด็กกำพร้าแล้วก็ทั้งคนที่เป็นทาสอยาอยะครั้งอายะนั้น พูดถึงคนยากไร้ก่อนเด็กกำพร้าแต่อาันานี้พูดถึงเด็กกำพร้าก่อนเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าลอ้อหูอ้าลำหนึ่งฮิกมากก็คือเด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดการทําดีกับเขาเราได้ผลบุญเป็น3มเท่าการทําบุญกับเขาได้รับผลบุญเป็นสามเท่าเพราะนั้นพี่น้องครับก็ฝากไว้นะพี่น้องฝากไว้จริงๆเลยนะครับผม ถ้าเกิดเราเจอเด็กกำพร้าอย่างน้อยถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ในเรื่องของทรัพย์สินถ้าเราช่วยไม่ได้ในเรื่องของอาหารบางทีอาจจะมีขนมจิ้มไม้จิ้มมือไปให้เขาบ้างก็ได้หรืออย่างน้อยก็พูดกับเขาดีๆอย่างน้อยก็โอบกอดเขาบ้างอย่างน้อยก็ลูบหวัวเขาบ้างอันนี้ก็คือนิสสานกิสถานการณ์ที่เราโอบกอดได้ลูบหวัวได้นะครับผมถ้ามีโควิดหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าต่างเพศก็ระวังกันนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าไปหาเสพหาเลยกับเด็กคือถ้า เป็นคนที่เราแต่งงานด้วยได้ก็ต้องตามกฎนะครับผมไม่ใช่ว่าบางคนได้ข่าวเด็กกำพร้าคนนี้ทรัพย์สินรวยเก็บไว้เอาไว้เป็นภรรยาดีกว่าจะได้เงินด้วยได้ภรรยาเด็กด้วยอันนี้อยู่ที่เจตนาอันตรายนะพี่น้องระวังให้ดีนะระวังให้ดีอย่าที่เป็น the มักรับะอย่าที่เป็น t ะมักรับะ ครับในเมื่อเขาเป็นญาติใกล้ชิดก็อยากให้เขาต้องอยู่ในสภาพของคนที่เหมือนกับบรายญาติขาดมิดนะครับผมนะครับทีนี้อีกสาเหตุหนึ่งครับที่นักวิชาการพูดถึงว่าฮิกมหหรือว่าเมื่อมาศึกษาดูอายะ ก, กรา น, นิการที่เอาอยาตีมคนเเด็กกาพร้าเนี่ยขึ้นมาก่อนคนยากจนเนี่ยอีกหนึ่งฮิกไหอีกหนึ่งความประเสริฐก็คือว่าเพราะ เด็กยากไกลเนี่ยจะเป็นเด็กที่ว่าเขาจะมีพาวเวอร์ในการพัฒนาตัวเองสูงแล้วเขาจะมีโอกาสกลับมาช่วยเหลือสังคมได้มากกว่าคนที่ขัดสนมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่พูดถึงเด็กกำพร้าก่อนเนี่ยเพื่อรู้ว่านี่คือกลุ่มต้นต้นเลยนะถ้าคุณช่วยเหลือเขาได้คุณก็จะมีกําลังมาช่วยเสริมในการช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น พี่น้องสังเกตไหมครับว่าในเรื่องของการจ่ายสกาดเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการบริจาคทานที่พวกลอสบานวัวตากําหนดไว้เป็นกฎหมายที่ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนคืออย่างสังคมปัจจุบันเป็นสังคมเงินทุนนิยมใช่ไหมครับคนรวยจะรวยขึ้นไปนเรื่อยๆคนจนก็จะจนลงไปเรื่อยๆคือมันจะมีช่องว่างที่มันห่างกันขึ้ น, นเรื่อยๆในขณะที่ระบบการจ่ายสกาดคืออะไรครับคือการที่ว่าเอาเงิน มารวมกันที่ใบตุนมารหรือว่าหน่วยงานที่ว่าเขาทนะําหน้าที่รวบรวมเนี่ยแล้วถึงเวลาก็ไปสร้างอาชีพให้กับคนจนเลยไปสร้างอาชีพคืออันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอฝากพี่น้องที่ว่ามีทรัพย์สินมีกําลังทรัพย์หลายครั้งครับเราจะพบว่าพอถึงเวลาจ่ายสกาดเนี่ยเรามานั่งคิดว่าโอเคฉันมีเงินก้อนหนึ่งบางท่านสุภานเลอาจจะมีสักแสนสกาดสักแสนก็นมานั่งคิดว่าเออฉันต้องทําให้มัน แต่เมตตานือยต้องได้คุณภาพเพื่อใเต็มที่นะอาจบริจาคให้คนนี้ห้ารอยเคนนี้หนึ่งพันอคนนี้ลําบากหน่อยให้หนึ่งหม่นอคนนี้ให้ไปห้าพันพี่น้องครับเคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าเราให้ปลาใครถึงเวลาเขาก็ยังหิวอยู่แต่ถ้าเราให้แหยใครถึงเวลาเขาสามารถไปหาอาหารด้วยตัวเขาเองได้คือการที่เราให้เงิน ก้อนเล็กเน้อยนเนี่ยถามว่าดีไหมดีทำดีแล้วเป็นการช่วยเหลือแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวมันแก้ปัญหาระยะสั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่หลักการให้สกาดที่แท้จริงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ให้เขาสามารถตั้งตัวมีอาชีพได้เลยอย่างเราเฉพบเขา บ, บางกลุ่มเขาอาจจะเอาเงินที่ได้มาไปรวมอาจจะไปซื้อเป็นรถเข็นพร้อมกับอุปกรณ์ที่สามารถทําอาชีพให้เลยให้ได้กับคนบางคน อาจจะทุ่มไปเลยอาจจะห้าหมื่นให้เขาไปเลยทีเดียวบางคนบอกวิ จ, จายดีกว่าพี่น้องถ้าทุ่มให้กับใครสักคนแล้วเขาตั้งตัวได้ถ้าเขาตั้งตัวได้พอกเงินของพี่น้องแล้วถ้าเกิดอีกห้าปีต่อมาอีกสิปีต่อมาเขาสามารถให้สกาดคนอื่นได้บ้างเขาเริ่มมีทรัพย์สินแล้วผลบุญทั้งหมดที่เขาทําพี่น้องจะได้ด้วยเพราะถือว่าพี่น้องเป็นต้นเหตุให้เขามีทรัพย์สินไปบริจากช่วยเหลือคนอื่น เพราะนั้นตรงนี้ที่ว่าอยากขอฝากให้คนที่มีกําลังซั์นะครับให้ลองอพิจารณาดูลองพิจารณาดูนะครับถ้าเรามีเงินก้อนใหญ่เนี่ยอย่ามัวแต่ไปคิดว่าแบ่งย่อยมันจะดีกว่าผลบุญมันจะเยอะยิ่งให้คนลหลายๆคนมันจะยิ่งดีกว่าไม่ใช่ครับผมเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะสกาดคือถ้าให้ก็คือให้เขาตั้งตัวไปได้เลยอันนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะไม่แน่ครับ อีก1ปีอีก5ปีอีก10ปีแล้วอาจจะมีคนช่วยจ่ายสกัดมากยิ่งขึ้นแล้วสังคมมันยิ่งจะดีขึ้นในภาพรวมถูกไหมครับมันไม่ใช่สังคมของปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่มันเป็นสังคมที่ว่าปลาใหญ่ช่วยเหลือปลาเล็กนี่คือ s h ร r ยะ ขออัลลอฮ์ครับนี่คือบทเมทของผู้รับสุภานิัวาตานีคือศาสนาอิสลามที่ผู้รับบอกว่าคือศาสนาที่ดีที่สุดที่ผู้รับไดใ้ให้กับหนุ่เสียชาติเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือถึงเวลาเราจะทํามันได้หรือเปล่ายะติมยะมักรบาประเด็นคร่าวๆก็จะประมาณนี้คือจริงๆถ้าจะคุยเรื่องของยะติมกับมักรบามีประเด็นที่อยากชวนคุยกันอีกแต่ตอนนี้เรามาต่อกันในส่วนของอยะต่อมาครับเอามิสกีนันยะมัทรบา หรือให้อาหารแกคนขัดสนมิสกีนยะมัตราบะคนขัดสนที่เต็มไปด้วยฝุน่นอายะกรานอาย่านี้ใช้คำสั้นมากอย่าเอามิสกีนนั้นยามัตราบะแต่พี่น้องเห็นภาพไหมล่ะ เห็นภาพไหมถ้าเกิดพี่น้องลองหลับตาและคิดจินตนาการถึงคนยากไร่คนยากจนที่สูญสภาพของพวกเขาต้องยากจนสุดๆแน่ก็คือถ้าเกิดเราเห็นเขาในสภาพที่เขาเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยดินถูกไหมครับเพื่อหมายถึงชีวิตของเขาต้องคุกลมลุกคุกคานอาหารแทบไม่มีกินบ้านไม่มีพักไม่งั้นมันคงไม่เลอะขนาดนั้นความเห็นอก เห็นใจเป็นหนึ่งในเสนษณ์ของ إ ي มานเป็นสนษณ์ที่แสดงเห็นถึงการมีอยู่ของอม م านครับผมมาชาลวะครับผม ผมมาทันเห็นนะครับเคุณนี่ไงบังโก้นะครับเขื่นขุนด่านนะครับบอกเสีไทยภาพเสียงชัดเจนจ่ากุ้งล้อคลังครับผมคุณจำหลักนะครับเดท์คิปนะครับสลายมาก็วไวคุ้มสลามอตุลอวัวบาร์รเกตุนะครับผมไอดุนยาคือคุกสําหรับผู้สะท้านะครับช่วยแม่ตัวเองก่อนครับแล้วก็ช่วยพ่อครับแล้วก็ต่อกับพี่ๆน้องๆในครอบครัวต่อมาภรรยาและลูกๆมาชาล้อครับมาชาล้อนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือหน้าที่ของเราก็คือช่วยเหลือคนที่สําคัญที่สุด กับเราก่อนถ้าเลียงตะลังแบบถูกต้องครับอย่างที่ไอว่ามานะครับก็คือเริ่มจากแม่ก่อนพี่น้องจําเรื่องชายสามคนชาวบริอิสโลอินที่เข้าไปในถ้าได้ใช่ไหมครับเพราะบางคนอาจจะคิดว่ามันต้องพ่อครอบครัวฉัก่อนมันต้องลูกฉันก่อนอันนี้คือสังคมเป็นแบบนี้ถูกไหมครับคือสังคมถ้าเกิดว่มมาเมื่อไหรก็ตามที่มีอาหารอร่อยออร่อยคนเป็นพ่อเป็นแม่มักจะเลือกให้อาหารกับลูกก่อนตัวเองอดไม่ปไปเลย ส่วนพ่อแม่ตัวเองไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเหมือนกันลูกฉันต้องได้กินก่อนนี่คือการสอนลูกแบบผิดผิดผมบอกเลยว่านี่คือการสอนลูกแบบผิดผิดการที่เราไปประเคมเขาการที่เราไม่สอนให้เขารู้ว่าต้องมีการเรียนระดับสำคัญเขาเป็นที่หนึ่งเสมอมันเป็นการทําลายลูกแบบที่เขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันมันเป็นความรักที่เรียกว่า ความหลงผิดใช้คำว่าหลงผิดเลยนะพี่น้องอีกทีหนึง่งเผื่อพี่น้องตามไม่ทันเรากำลังพูดเรื่องอะไรครับผมกําลังพูดถึงสภาพสังคมในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ว่าเรามักให้ความสําคัญกับลูกมากกว่าพ่อแม่อย่างถ้เกิดมีอาหารอรอ่ อ, รอยๆแล้วก็ให้ลูกก่อนที่ใชจพ่อแม่ของเราคือแน่ น, นอนเราเนะ่ยชอบเสสระอยู่แล้วเราไม่กินก็ได้แต่ถ้าคนที่จะได้กินมักจะเป็นลูกมักจะเป็นหลานก่อน แล้วเราถือว่ามันเป็นความรับเป็นความเอ็นดูผมอยากจะบอกว่านี่เป็นการสอนลูกหลานที่ผิดผมขอใช้คำว่าสอนที่ผิดเลยเพราะอะไรครับเราไม่ได้ให้เขาให้ความสำคัญกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านบับดุลงมุฮัมมััเตือนไว้เลยนะบรุอาบาอาักุมตะบุรุคุมอับนาอักุมจนทำดีกับพ่อแม่ของพวกท่านแล้วลูกๆของท่านจะทำดีกับท่านคือเราทำให้เขาเห็นว่าเราทำกับพ่อแม่เราอย่างไร เมื่อตอนเขาโตมาแล้วเราแก่เขาจะทํากับเราแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันเรื่องเล่ามีมากมายเรื่องเล่ามีมากมายครับผมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่อาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่ารอว่าเราว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ก็ให้ครดีกับคนที่เรามาแล้วกันอาจารย์เล่าให้ฟังว่าย่างไงครับอาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับคนเป็นพ่อบ้านถึงเวลาปุ๊บก็ มีอาชีพมีครอบครัวก็มีภรรยาเขามีลูกเขามีแม่ที่แก่ชราอยู่ก็เลี้ยงให้อยู่บ้านเดียวกันสอนแรกอยู่บ้านในการเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีฐานะถึงเวลาครับก็ปัญหาคลาสสิกนั่นแหละครับผมแม่ยายกับภรรยาเนี่ยแหละก็มีปัญหากันเป็นปัญหาคลาสสิกครับครอบครัวไหนที่เล่าจับปัญหานี้ไปได้นี่อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละหายากมากๆแต่ส่วนใหญ่มีหมดเลยพี่น้อง แต่ผมก็คือพอคอนฟ lict พอมีปัญหาปุ๊บคนเป็นสามีก็เข้าข้างภรรยาอย่างออกนอกหน้าอันนี้คือพลาดล่ะอันที่หนึ่งภรรยาก็บอกเนีพี่แม่พี่เนี่ยทำอะไรก็งงง่ายเนี่ยแยกไปอยู่ต่างหากดีกว่าอ่คนเป็นสามีก็ตามใตามใจก็เอาแม่แยกไปอยู่ต่างหากถึงเวลาให้กินข้าวปุ๊บเนี่ยพี่เนี่ย แม่พี่มากินข้าวกับพวกเราเนะี่ยเดี๋ยวจานก็แตกเดี๋ยวนั่นก็นี่เดี๋ยวนี้ก็อย่างนี้ไม่เอาหนูไม่อยากกินถ้าเกิด ว, ว่าเขาไม่กินด้วยหนูจะไม่กินด้วยอ้าวสามีก็ตามใจภรรยาอีกสีลืมไปแล้วถึงคนที่เคยอุ้มชูลืมไปแล้วถึงคนที่เคยให้นอนเลืมไปแล้วถึงคนที่เคยเลี้ยงลูกลมหมดสิทธิ์เลยซึ่งเวลาให้อาหารนะครับบางทีก็อาจจะคนรับใช้เอาไปให้ซึ่งคนรับใช้ก็ไม่ได้ดูแลแม่เจียงดีเพราะถือว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ความสําคัญกับคนแก่คนนี้เท่าไหร่ ถึงเวลาอาหารครับก็ใส่ให้จานเดิมๆก็มีจานใบเดียวนี่แหละถึงเวลาปุ๊บก็ล้างมั่งไม่ล้างมั่งสะอาดมึงไม่สะอาดมังก็ใส่นี้ให้กินเจอทั้วงว่าแม่เสียชีวิตไปเจอทั้งเมื่อแม่เขาเสียชีวิตซึ่งแน่นอนครับสภาพห้องที่แม่อยู่ก็เหม็นก็อาบก็อะไรแย่ไปหมดเลยเพราะถึงเวลาแม่เสียชีวิตก็มาเขลียห้องทําความสะอาดห้องพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ เจ้าบ้านพ่อบ้านนะครับหลังจากที่แม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาก็มาทําความสะอาดห้องนั้น mm. พอทําความสะอาดห้องนั้นก็เคลียมันก็เหม่นก็อับก็อะไรไปหมดเลยไงครับผมเพราะบางทีก็มีกลิ่นอุจจาระปัสสาวะอะไรก็มีการถ่ายขับถ่ายเลยในตรงนั้นพอทําความสะอาดเสร็จครับก็เจอจานเก่าๆ เ, เนี่ยที่แม่กินก็ยังมีค้าวเปลือยในอยู่เขาก็จะไปทิ้งพี่น้องลูกของเขามาแล้วก็มาขอคว้าจานนี้ไว้แล้วก็บอกว่าพ่ออย่าทิ้งจานนี้ผมขอจานไปเนี่ยผมขอพ่ออย่าทิ้ง พ่อพอดูปุ๊บเปิดลูกมันคงจะคิดถึงย่าแต่พ่อบอกจานมันสกรปรกลูกทิ้งไปเถิดคนเป็นลูกพู ด, ดว่าไงรู้ัหมครับพ่อผมขอเถิดเวลาพ่อแก่ตัวมาผมจะได้ให้พ่อใช้จานนี้เหมือนกันถ้าพ่อแก่ตัวผมจะได้ให้พ่อใช้จานที่พ่อเคยให้ย่าใช้ อินานาริลาวีนาอเลรอยจูนครับเจ้าบ้านพอได้ยินปุ๊บ ก, ก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็กอดเตียงของแม่เตียงซึ่งตอนนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรอะไรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเตือนสังคมสิ่งที่เรามักจะมองข้ามก็คือบางทีเราเลี้ยงลูกเราเป็นลูกเทวดาเลยใครก็ไม่มีสิทธิ์มาดูแลลูกเราใครไม่มีสิทธิ์มาด่าว่าลูกเราใครมาด่าว่าลูกเราบางทีด่าว่าที่เดียวเราจำไปตลอดชีวิตเลี้ยงลูกให้เป็นที่เขาพูดนะครับเลียงให้เป็นลูกเทวดาผลสุายเด็กก็เสียคน เมื่อกี้ผมกำลังพูดว่าสามคนในกลุ่มบริอิสรออินใช่ไหมครับที่ว่าท่านอบีพูดให้ฟังคนที่ว่ากลุ่มคนที่เข้าไปในถ้ำไปนอนในถ้ำแล้วพวกร้อยหินกิ้งลงมาปิดปากถ้ำหนึ่งในสามคนนั้นครับ หลังจากที่เขาตกหล่นกันว่าเราต้องขอดัวาจากอนะัลลอฮ์แล้วเราต้องช่วยกันคิดแล้วว่าเราทําอะไรดีๆมาบ้างในชีวิตขอดัวาจากอัลลอฮ์ให้อลลอฮช่วยเหลือเราหนึ่งในนั้นบอกว่าไงครับยาวล้อยกมือขอดวัอวจากพระองค์ให้อัลลอฮ์ช่วยให้หินที่ปิดปากท่ามนี่ยมันเปิดออกไปเขาบอกว่ายาวล้อผมน่ยเคยมีพ่อแม่ที่แก่ชราผมมีพ่อแม่ที่แก่ชราที่อยู่ด้วยกับผมถึงเวลาผมมักจะ หลังจากที่เสร็จงานนอกบ้านผมจะรีดนมมาแล้วก็คนแรกที่จะได้ดื่มต้องเป็นพ่อแม่ผมเท่านั้นก่อนที่ลูกจะได้ดื่มก่อนที่ภรรยาจะได้ดื่มก่อนที่ตัวผมเองจะได้ดื่มผมใช่พ่อแม่สมด่มก่อนเสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ว่าผมทำงานนอกบ้านใช้เวลานานเกินพอรีดนมกลับเข้ามาถึงบ้านมันมืดค่ำแล้วมันดึกเกินไปแล้วพ่อแม่หลับเรียบร้อยพ่อแม่ของเขาหลับไปแล้ว ผมก็ถือนมไว้บรรดาลูกๆของผมก็มาร้องห่มร้องไห้หิวนมอยากกินพี่น้องเห็นภาพไหมแบบยุคนี้เลยเป็นเราเราทำไงครับอ่าลูกกินเลยเราคงใส่ให้แก้วให้ลูกให้ลูกกินก่อนแต่ชายคนนี้เขาบอกว่าไงครับยาอเวะผมไม่ยอมให้ลูกผมกินเลยไม่ว่าเขาจะร้องห่มร้องไห้แค่ไหนก็ตามเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกให้รู้ว่าบุคคลแรกที่ได้กินต้องเป็นพ่อแม่ก่อน เขารอให้ปู่ให้ย่าให้ได้ดิบนมก่อนซึ่งชายคนนั้นไม่เคาะประตูเรียกด้วยเพราะถือว่าพ่อแม่กาลังพักผ่อนคนแก่กําลังพักผ่อนบางทีไปเคาะประตูเขาตกใจตื่นขึ้นมาบางทีใจสัน่นบางทีนอนไม่หลับบางทีมีปัญหาเขาบอกไงครับยาวเหรผมมีพ่อแม่ที่แก่ชราวันหนึ่งผมเอานมมาแต่ว่าพ่อแม่นอนไปแล้วผมก็ถือนมรอถือนมรอจนพ่อแม่ผมตื่นขึ้นมาเองโดยที่ลูกๆเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้อยากกินนม แต่ผมก็รอจนเมื่อพ่อแม่ผมตื่นมาผมเอานมให้เขากินให้พ่อแม่ดื่มผมถึงให้ลูกผมกินอย่าล้อหากสิ่งที่ผมทําทําไปเพื่ออลัลลอฮฺหากสิ่งที่ผมทําเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺรักปวดช่วยเหลือเราด้วยอลัลลอฮฺก็เลยให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาตรงข้ามกับมุมมองคนปัจจุบันไหมครับคนปัจจุบันร้อทั้งร้อยพี่น้องไปถามเถิดถ้าในกรณีอย่างเนี้ยยังไ ง, งก็ต้องเอานมให้ลูกก่อนคือบางทีหมดตัวเองไม่ได้กินไม่ไปไรปู่ย่าไม่ได้กินไม่เป็ไรแต่เด็กๆต้องได้กิน ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีครับผมถ้าเราไม่สอนให้เขารู้จักกระตันยูการจะสอนให้ใครรู้จักกระตันยูไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะพี่น้องเราต้องทําเป็นแบบอย่างถ้าเราไม่สอนให้เด็กๆของเรามีความกระตันยูโตมาเขาไม่มีทางกระตันยูเราพี่น้องเตรียมตัวได้เลยลูกเราโตมาเป็นเด็กเนรคุณแน่นอนพี่น้องเพราะนีนเมื่อเรายังเนรคุณพ่อแม่ของเราแล้วเราจะไปคาดหวังให้ลูกเรากระตันยูกับเราเรึเ้นไปไม่ได้หรอก เพราะนั้นการเรียนระดับความสำคัญสาคัญมากๆครับเพราะนั้นก็ขอบคุณ อ, อ, อายเดียคือคุกสหรับผู้สรทา น, นะครับถ้าจะช่วยบุคคลแรกแม่ก่อนเพราะท่านบีมัสัสรสมบอกไว้ตอนที่มีซอบ้ามาถามว่าใครคือคนที่ฉันต้องทำดีมากที่สุดในโลกท่านรบีบอกว่าแม่ของคุณเขาถามอีกแม่ของคุณเขาถามอีกแม่ของคุณเขาถามอีกพ่อของคุณมืีย้า แม่มาก่อนนะหลังจากนั้นก็พ่อนะหลังจากนั้นก็สมาชิกในครอบครัวของเราเป็นภรรยาเป็นลูกๆต้องเรียงลำดับให้ดีครับพี่น้องผมเป็นห่วงพวกเราทุกคนจริงๆผมห่วงว่าอนาคตต่อไปเราจะมีแต่เด็กในละคุณมากยิ่งขึ้นเราจะมีแต่คนไม่รู้คุณคนมากยิ่งขึ้นเราจะมีพ่อแม่แก่ชราที่ถูกทอดทิ้งมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้อนาคตรอเลยพี่น้องผมไม่ได้ดูอาผมไม่ได้สาบแช่ง แ่มนคือสิ่งที่ท่านอับี๋มูฮัมหมัดสัลลาฮีซัลลัมเตือนเอาไว ah ai, ้แล้วมันก็เกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วทำไงกับพ่อแม่ให้ลูกหลานเราดูนั่นคือสิ่งที่ลูกหลานเราจะทํากับเราเมื่อเราโตขึ้นก็เตือนกันไว้ครับเตือนกันไว้ด้วยครับผม ทั้งหมดอขออภัยนะครับถ้าเกิดพูดอะไรกระทบกระเทือนทํำร้ายจิตใจใครนะครับแต่ก็คื อ, อด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงจริงๆนะครับผมนี้ก็คือจากคําถามที่ถามมาว่าเรียนรูปแบบแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับผมส่วนเราคนเป็นพ่อบ้านเราก็เป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็ต้องมีความเสียสละมากที่สุดไม่ใช่พ่อบ้านเราเป็นอันดับหนึ่งเราเราไม่ใช่ยุคแบบที่ว่าผู้ชายกดขี่ของเยงผู้หญิงนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลากินข้าวฉันต้องกินเป็นเบอร์หนึ่งภรรยาเดี๋ยวไปรอกินข้างหลัง เวลาหิวก็หิวเหมือนกันถ้าจะเสียสละพ่อบ้านควรจะเป็นคนที่เสียสละมากที่สุดในบ้านอันนี้เป็นการเรียงในแบบความสำคัญนะครับแม่พ่อลูกภรรยาแล้วก็ตัวเราหลักๆต้องเรียงความสำคัญแบบนี้ครับใครจะมองอยังไงใครจะสอนอยังไง นั่นเป็นมุมมองที่เขาเลือกที่จะมองแต่นี่คือคำสอนของอิสลามสำหรับมุสลีมที่ยอมจำนนต่อพระองค์และมีภาคปฏิบัติพี่น้องเชื่อผมมันผ่านการทดสอบมาแล้วเป็นพันๆกว่า ป, ปีอันนี้คือรูปแบบที่ดีที่สุดแล้วในการเลี้ยงดูลูกในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูให้เขารู้ว่าเขาเป็นลูกเขาไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่เป็นเทวดามาจากไหนเขาไม่ใช่เป็นอะไรมาจากไหนที่แบบว่า ด่าพ่อแม่ได้แต่ไปพูดไพเราะ ก, กับคนนอกบ้านเวลาผมเจอแล้วผมรู้สึกแย่มากๆครับเจอบ่อยด้วยคนบางคนพูดนอกบ้านดีดีพูดกัพาะกับแม่พูดคำหยาบคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็หัวล้อบแบบคือทําไมไม่ได้แล้วนี่แล้วก็ได้ตบปอบตัวเองว่าเอออย่างน้อยมันก็พูดดีกับคนนอกบ้านไม่ครับถ้าพูดดีกับพ่อแม่ตัองไม่ได้จะพูดดีกับคนทั้งโลกก็ยังเป็นคนชั่วอยู่ดีพี่น้องผมใช้คํานี้เลย ก็เรียกว่าเป็นคนเนรพลอยู่ดีก็ยังทํำบาปใหญ่อยู่ดีเพรา ะ, ะนั้นพี่น้องอย่าคิดง่ายๆว่าขออย่างน้อยเขาทําดีกับคนข้างนอกก็ยังดีไม่มันไม่มีคําว่าดีครับผมถ้าเขาไม่สามารถจะทำดีกับเราได้ถ้าเขาไม่มีมารยาทที่ดีกับเราได้มันไม่มีคําว่าดีแน่นอนอันนี้ก็ฝากไว้ครับจะจากคุลรอคอยรอนครับผมเวลาผ่านไปไวและเกินมาพี่น้องหกโ ม, มงจะครึ่งแล้วเหรนี้โอเคครับเอ่อ ครั้งนี้เราก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเอามิสกี้นั้นจะมาตรบากก็คือการให้ความช่วยเหลือคนยากจนที่มีฝุ่นซึ่งชาวละครับเอ่อวันพรุ่งนี้แล้วกันนะพี่น้องวันพรุ่งนี้ขอต่อทับซีด ต, ต่ออีกสักคาบหนึ่งเนาะหรือเราเอาพวกนี้สองคาบเลยไหมเอาทับซีดกับดูอาพี่น้องมีความเห็นว่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมตอนนี้คือผมผมค่อนข้างเอียงไปว่าพรุ่งนี้อาจจะมีสองสองตอนเลยคือพรุ่งนี้เราคุยดูอาก่อน เสร็จสักดัวา์นึงแล้วเราก็มาต่อด้วยกับตับสีถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นด้วยก็ช่วยพิมพ์บอกมานะครับผมเพราะาไปเรียนที่คุยก็นั่นแหละช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับก็มีเวลากันก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็พิมผความรู้กันพวกนี้เราจะมาคุยกันว่าตะวลงคนขัดสนเนี่ยมิสกีนแตกต่างยังไงกับฟกีแล้วการให้ความช่วยเหลือใครดีกว่ากันแล้วก็ สิ่งดีงต่างๆที่เราได้รับจากสุรศิลบาลัดมีอะไรอีกเราก็จะพูดคุยกันต่อไปนะครับผมก็สําหรับพี่น้องที่อยู่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอุ้มมุกลอุ้มคายรันนะครับผม เ, เพราะว่าขอตัดซีพูดตรงๆอันนี้ชวนคุยนอกเรื่องนะพี่น้องอขอตัดซีตอนแรกเริ่มอะ ที่เราเริ่มกันนะครับตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดก็คือก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนที่มัสยิดชังคารนะครับผมอัญเชมยาชังคารเนี่ยเราก็ตกลงกันไว้ว่าจะเอาคาบและบทก็คือสุร้อนหนึ่งเราพูดแค่ครั้งเดียวคือยัดให้จบให้ได้เนื้อหาจะเหลือก็ปล่อยทิ้งไปก็ช่วงแรกๆก็จะพบว่าจะเป็นเนื้อหาสั้นๆแต่พอมาสุรัตน์บาลัดนี้ก็คือพอเหมือนกับช่วงโควิดแล้วก็เออบางทีผมก็มีเรื่องอยากจะคุยเยอะเกินไปนะครับเราก็ เออก็คุยมายี่สิบเจดตอนเนี่ยนะพี่น้องผมก็บางท่านก็ทักทวงมาบอกอาจารย์เยอะไปไหมคือ ถ, ถึงเวลาจะมาฟังทีหลังไม่รู้จะฟังอะไรดีเพราะบางคนอยากรู้สุรจินบัรลัดแล้วมาเจอ27ดตอนซึ่งบัรลัดเราน่าจะประมาณ30ตอนกว่าจะจบเป็นอย่างน้อยนะก็บางท่านอาจจะหมดกําลังใจผมก็เลยอยากขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านตอนนี้ที่ว่ายังอยู่ร่วมรับฟังแล้วก็ยังคง เพื่อันสร้างบรรยากาศดีๆของการเรียนรู้นะครับผมถ้าเกิดว่าดูท่าผมพูดยาวเกินไปออกทะเลเกินไปพี่น้องเตือนได้นะพี่น้องเตือนได้บอกอาจารย์ออกทะเลแล้วอาจารย์ดึงกลับเข้ามาประเด็นก่อนอยากให้จบไปไวผมได้หมดเลยครับผมได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องปล่อยผมไปผมก็หลงอย่างนี้แหละผมก็ละเลงหลงละเลงก็คุยไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากุรานเวลาคุยเรื่องกุรานพี่น้องสังเกตนะคุยกูเรื่องกุรานไม่เหมือนคุยเรื่องฮะดีสนะพี่น้อง พี่ต้งเคยสังเกตไหมเวลาคนที่คุกคีกับอัลกุรานมากๆกับคนที่คุกคีกับฟิกมากๆอย่างเงี้ยนี่เหมือนกันนะคนที่คุกคีกับกุรานมากๆใจเขาจะเย็นเขาจะมีความสงบเขาจะมีความสุขจะมีความอิ่มเอิบส่วนถ้าเกิดคนที่คุกคีกับฟิกมากๆในเรื่องของภาคปฏิบัติน่ะเหนื่อยเพราะว่าเขาต้องมาดูถึงข้อขัดแย้งต้องมาดูถึงข้อปีกย่อยต้องมาดูถึงข้อผ่อนผันบางทีก็ต้องมีการถกเถียงบางทีก็เลยไปเป็นการเถียงเลย บางทีมันก็เครียดแต่นะพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องอย่าว่าผมเลยเนะเวลาคุยเรื่องทับซีดบางทีผมหรือวอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็อาจจะชวนคุยกันยาก น, นิดนึงเพราะว่ามันมีความสุขที่เราได้คุยกันผมคิดว่าหลายหายท่านน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมก็จะเสาะคุ้มาะขลังครับพี่ซันมานะครับหนึ่งในคนที่ว่าเออผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเออ คนที่ถ้าผมจะเสียคนนี้ผมโทษพี่สมายได้หรือเปล่าเนี่ยคือมาทำเลยแล้วครับเป็นหนึ่งในนักเรียนตัวอย่างที่ว่าชอบการเรียนรู้ก็คือพูดอะไรมาเถิดพูดมาเถอดถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกีตาวัตถตามสม น, นะพูดมาเถิดพร้อมที่จะเรียนซึ่งในกลุ่มของเราก็แทบจะทุกท่านก็น่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ เขพูดแบบนี้บางทีผมก็เลยคุยยาวไปก็ขอมัฟ อ, อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบด้วยละกันนะครับผมขอบคุณที่สันมามากๆครับสำหรับกําลังใจทุกครั้งที่มีให้มานะครับเช่นเดียวกับพี่น้องทุกท่านครับผมก็บรารรกัรณฟี่คุณครับสําหรับวันนี้ก็ประเด็นที่เราได้นะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนอย่างน้อยที่สุดเราคุยกันมายาวขนาดเนี้ยพี่น้องจะลืมอะไรผมไม่รู้ละแต่ว่าที่สําคัญครับอยากจะสรุปสั้นๆตรงนี้ว่า ให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวเราให้มากกว่านี้ 1. ให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวเราให้มากกว่านี้ 2. พยายามเรียงลาดับการให้ความสําคัญให้มันถูกต้องตามที่อลอสชอบผมฝากไว้แค่2ออย่างให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวให้มากกว่านี้1แล้วก็ 2. ระหว่างเรื่องการเรียงลาดับสําคัญว่าควรให้ความสําคัญกับใครอะไรยังไงก่อน ถ้าพี่น้องทำสองอย่างนี้ได้อินชาลลอฮ์ครับผมอินชาลลอฮ์ด้วยความเมตตาของผู้รอดไม่ใช่แค่สวรรค์ที่พี่น้องจะได้แต่จะเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดด้วยครับผมอินชาลลอฮ์ด้วยความเมตตาของผู้รอดนี่คือผมก็สรุปมาจากประมวลมาจากอัลกุรอานกับฮะดิษทั้งสิ้นนะครับผมขอตัวจากผู้รอดซุบฮานะฮุวาตาลาครับเป็นดวงที่ว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อผมขอเ บ, บ่อบ่เพราะว่าเรา ทุกคนต้องการมันจริงๆเราขอดเดาจากพวะลอสผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเราผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีบุตรผู้ซึ่งไม่มีบิดาเราขอดเดาจากพระลอสุบาหานวาตาลาครับให้เราเห็นสิ่งที่ถูกต้องว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้เรารักสิ่งที่ถูกต้องนั้นและให้เราทํามันได้มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเราขอดเดาจากพระลอสุบาหานวาตาครับให้เราเห็นสิ่งที่ผิด ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆอย่าให้ใจของเราไปผูกพันกับมันขอให้เราออกห่างจากมันได้ขอพ่อรอดได้สอนสั่งเราในสิ่งที่เราไม่รู้ขอพ่อรอดได้ตักเตือนเราในสิ่งที่เราหลงลืมขอพว่าอรอดให้เรานั้นรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของสิทธิทั้งหลายตามที่ควรจะเป็นขอให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเราขอให้เราเป็นคนดีของสังคมแล้วที่สำคัญ ที่สุดก็คือขอให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพวกลัซซูปานหัวตาลาด้วยเถิดยอห์นโลกปัญญานี้เราก็อยากได้แต่สิ่งที่ดีงามแล้วโลกอาร์เคอร์ก็ขอพระองค์มอบให้เราแต่สิ่งที่ดีงามแล้วขอให้เรารอดพ้นจากการถูกโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ รากผลจากการถูกลงโทษในฝันรบด้วยเถิดครับอามีนอัลกูลูกาลีฮาดะวาสักฟุลลอฮ์ฮะลีวาลกุมวาลิสัยลิลมุสลิมีนามินอุลดาวาสักฟูอินนะฟูอัรฮมซุบฮนัลลอฮ์ัมดิะ ش د วะลลาอิลอัต أ, إ, أ س ت, ت ف, ت ف الله ر ت الله ه وطوبلاه ครับจนกว่าจะพูดในวันพรุ่งนี้อิชั่ลลอฮ์ครับซลมุมวะมุลลอฮวะบรกุฮับ